4. นิสสกิยะกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในนิสสกิยะกัน 1. กถินนวักห์ 1. ปฐมกถินสิกขาบท 24. ถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัตินิสักคียะปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ทรงอติเรกจีวรไว้เกินสิบวันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัก ค, คีทรงอติเรกจีวร ในปฐมกถินสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานคือหนึ่งเกิดทางกายกับวาจามิใช่าทางจิต 2. เกิดทางกายวาจากับ